เรท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาเพื่อมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่จะพาให้ชีวิตของเราภพชาติของเราดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดชีวิตของพวกเรานี้แต่ะชีวิตแต่ละภพ ก, ก็เป็นเหมือนบ้านที่เรามาอยู่อาศัยกัน อย่างชาตินี้เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์กันร่างกายของมนุษย์ก็เป็นเหมือนที่อยู่อาศัยของจิตใจเป็นที่พึ่งของจิตใจที่เราใช้ให้ไปทำอะไรต่างๆหาความสุขความเจริญให้กับเราการที่เรามีร่างกายที่มีความแตกต่างกัน มีฐานะความรู้ความฉลาดที่แตกต่างกันมีเงินทองที่ไม่เท่ากันมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามไม่เท่ากันมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันก็เพราะการกระทาของเราในอดีตนี้ทำ ม, มาไม่เท่ากัน การกระทำอะไรที่ทำให้เราได้เจริญได้สุขในเรื่องลาบยศสรรเสริญในเรื่องสิ่งต่างๆเราเรียกว่าบุญบารมีชาติก่อนพวกเราสร้างบุญบารมีมาไม่เท่ากันชาตินี้เราก็เลยได้รับผลไม่เท่ากันเหมือนชาวนาชาวไร่ถ้าปลูกพืช น, น้อย ผลก็น้อยเช่นคนที่ทำไร่หนึ่ ง, ห น, งหนึ่งไร่ก็จะได้ผลหนึ่งไร่แต่คนที่ทำสิบไร่ก็จะได้ผลสิบไร่บุญบรารนีที่เราสร้างกันเราทำกันในอดีตเราก็ทำมาไม่เท่ากันเราจึงมีความฐานะที่แตกต่างกัน เราจึงควรเชื่อเรื่องของการสร้างบุญสร้างบรารมีว่าบุญบรารมีนี้จะทำให้พวกเราเป็นอะไรแตกต่างกันอย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงสร้างบุญบรารมีมาทุกภพทุกชาติจนถึงภพสุดท้ายท่านก็ได้ไปถึงบ้านที่ฐานะ บ้านที่ดีที่สุดก็คือพระนิพพานบ้านที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายแต่บ้านที่พวกเราตอนนี้มีกันคือร่างกายนี้ยังเป็นบ้านชั่วคราวบ้านที่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วเราก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทําเอาไว้กันเอง ย่นกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาสร้างบุญสร้างบา ร, รมีหรือสร้างบาปสร้างกรรมกันใหม่ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เรื่องเรื่องของบุญบา ร, รมีเรื่องของบาปกรรมเราก็จะไม่เชื่อเรื่องบุญบา ร, รมีไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเราก็คิดว่า ตายแล้วเราก็ศูนย์คือเวลาร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกายด้วยแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้อาศัยร่างกายใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับเราเราเป็นใครเราก็เป็นคนคิดคนสั่งคนที่รับรู้สิ่งต่างๆที่ สัมผัสทางร่างกายเช่นเราเป็นคนรู้รูปที่ตามองรู้เสียงที่หูได้ยินตาเขาไม่รู้ว่าเขามองอะไรหูเขาไม่ได้รู้ว่าเป็นเสียงอะไรผู้รู้คือเราเราเป็นผู้รู้แล้วเราก็เป็นผู้คิดด้วยแล้วเราก็ไม่ตายไปกับร่างกายเพราะเราไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกาย ไม่ได้ประกอบขึ้นจากส่วนต่างๆจึงไม่มีวันแตกแยกเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบขึ้นมาของดินน้ําลมไฟเราเอาดินเอาน้ําเอาลมเอาไฟมารวมกันเราก็ได้ร่างกายอันนี้ขึ้นมาได้อาการ32เช่นได้ผมได้ขนได้เล็บได้ฟันได้อะไรต่างๆ ถ้าเราไม่ได้ดินน้ำลมไฟเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายของเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้เช่นเวลาที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ถ้าเราไม่ดื่มน้ําไม่ดื่มนมไม่รับประทานอาหารไม่มีอากาศหายใจร่างกายก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ เหตุที่พวกเรามีร่างกายและเจริญเติบโตอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าเรามีดินน้ํำลมไฟคอยเติมให้กับร่างกายอยู่เรื่อยๆลมก็คือลมหายใจน้ําก็คือพวกน้ําต่างๆของเหลวต่างๆที่เราเอาเข้าไปในร่างกายดินก็คือของแข็งต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปเช่นอาหารผักเนื้อสัตว์ ผลไม้อย่างนีเนเนเน้เป็นธาตุดินผสมกับธาตุน้ําเมื่อเข้ามาในร่างกาย<ม>ก็เลยทําให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาแต่ความเจริญเติบโตของร่างกายก็มีขอบเขตพอเจริญเต็มที่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเจริญต่อไปได้มันก็จะเริ่ม น, นับถอยหลังมันก็จะเริ่มเสือ่อมความ สามะคีของดินน้ำลมไฟก็จะเริ่มคลายความแน่นแฟ้นทําให้ร่างกายเริ่มชราลงแก่ลงเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอดินน้ำลมไฟเขาไม่อยู่รวมกันร่างกายก็ตายดินน้ำเขาก็แยกกันไปเวลาคนตายไปถ้าทิ้งไว้เฉ ย, เฉย น้ำต่างๆก็จะไหลออกมาลมก็จะระเหยออกมาไฟก็จะระเหยออกไปเหลืออยู่ส่วนที่แข็งเช่นเนื้อเอ็นกระดูกเอาว้ทยาศาสตต่างๆที่จะแห้งกรอบแล้วก็ผุแล้วก็เปื่อยแล้วก็กลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายที่พวกเรามาอาศัยกันอยู่ แต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้ให้เราพาให้เราไปทำอะไรต่างๆเพราะเรายังอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เรายังอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลย มามีร่างกายกันแล้วเราก็มาหาความสุขด้วยวิธีต่างๆบางทีก็หาความสุขด้วยวิธีที่ที่เป็นบาปบางทีก็หาโดยวิธีไม่เป็นบาปถ้าหาโดยวิธีเป็นบาปมันก็มีโทษตามมาเหมือนกับเราทำผิดกฎหมายมันก็มีโทษตามมาถ้าเราถูกเจ้าหน้าที่จับ เขาก็จะจับเราไปลงโทษแต่บาปนี้ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาตามจับบาปนี้มันเป็นกฎแห่งกรรมที่มันจะจัดการกับตัวพวกเราคือใจของพวกเราที่เวลาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วกรรมมันก็จะจับเราไปให้ไปอยู่ในอบายกันเหมือนจับไปติดคุกติดตาราง ในอบายหรือในคุกนี้ก็มีอยู่สี่แดนแดนแรกเรียกว่าเดลฉานแดนที่สองเรียกว่าเปร์แดนที่สามเรียกว่าอสุรกายและแดนที่สี่เรียกว่านรกนี่คือที่ไปหลังจากที่ร่างกายของพวกเราตายตายไปแล้วใจคือพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ไปตามบาปตามบุญ ถ้าบาปก็ไปสู่อบายถ้าบุญก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอเราใช้บุญหมดหรือใช้บาปหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเกา่าหรือเลวกว่าเกา่าถ้าเราได้ทำบุญเรากลับมาเราก็จะดีกว่าเกา่าจะรวยกว่าเกา่าสวยกว่าเกา่าฉลาดกว่าเกา่าแต่ถ้าทำบาป กลับมาเราก็จะเร็วกว่าเก่าจะจนกว่าเก่าจะโง่กว่าเก่าจะจนกว่าเก่าจะไม่สวยกว่าเก่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของชีวิตของพวกเราขึ้นอยู่กับบุญบารมีหรืออยู่บาปกรรมที่เราทำกัน พระพุทธเจ้าช่างทรงเห็นคุณประโยชน์ของบุญบา ร, รมีจึงสอนให้พวกเรามาสร้างบุญบา ร, รมีกันทรงเห็นโทษของบาปกรรมจึงสอนให้พวกเราไม่ให้ทำบาปทำกรรมกันให้ทำแต่บุญบุญเช่นอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาทำบุญกันนำข้าวของเงินทองต่างๆมาถวายพระถวายวัน อันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญแล้วท่านก็สอนให้เราละบาปกันอย่าไปทำบาปให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดบทเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านการกระทำเหล่านี้ จะดึงให้เราไปสู่อบายเขาเรียกว่าอบายยมุกอบายยมุกแปลว่าทางสู่อบายส่วนบาปก็คือผู้ที่จะพาเราเข้าไปในอบายเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะปลอดภัยเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเก่าจเจริญกว่าเก่าตามลำดับขึ้นไป จนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับถ้าเราทำทานแล้วเรามารักษาศีลแล้วเรามาทำใจให้สงบเรามาอยู่วัดมาถือศีลของนักบวชกันอยู่วันธรรมดาก็ถือศีลห้าอยู่ที่บ้านวันพระก็ไปอยู่วัดหรือถ้าอยู่วัดไม่ได้อยู่บ้าน ก็ได้ให้แต่ให้ถือศีลแปแทนศีลห้าแล้วให้เลิกกิจกรรมต่างๆที่เคยทำในวันธรรมดาเช่นเลิกกินอาหารเย็นเลิกร่วมหลับนอนกับคู่ครองหลับนอนกับแฟนเลิกดูหนังดูละครล้องลําทำเพลงเลิกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเอาเวลามาหัดนั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์นั่งพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกทําใจของเราให้สงบนแล้วเราจะสร้างบุญบา ร, รมีสร้างภพชาติที่ดีขึ้นไปตามลําดับนเราจะได้สร้างสวรรค์ชั้นเทพได้เป็นเทวดาได้สร้างสวรรค์ชั้นพรหมได้เป็นพรหมและได้สร้างสวรรค์พระอริยเจ้า ได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นชั้นต่างๆจนถึงชั้นสูงสุดคือชั้นของพระอรหันต์ชั้นพระนิพพานนี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเรากําลังสร้างกันโดยที่บางทีเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันเราสร้างอะไรกันถ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้กัน แต่ถ้าเรามาฟังคำสอนเราจะรู้ว่าการกระทาของเรานี้เป็นตัวที่จะสร้างอนาคตของเราขึ้นมาให้ดีขึ้นก็ได้ให้เลวลงก็ได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราอยากจะสร้างอนาคตของเราให้ดีขึ้นขอให้เราพยายามทาบุญทำทานอยู่เรื่อยๆมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ที่ไม่ต้องเก็บเอาไว้ ก็เอามาทําบุญทําทานกันอย่าเอาไปซื้อของตามความอยากที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้ออย่าเอาไปเที่ยวกันเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับเราแต่กลับจะเกิดโทษกับเราเพราะจะทําให้เราต้องใช้เงินมากเพราะถ้าเราใช้เงินตามความอยากแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอ เห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากมีพอได้มาแล้วก็ยังไม่พอยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ทำให้เราต้องไปเดินโลนหาเงินหาทองแล้วถ้าเราหาเงินโดยวิธีที่ถูกต้องไม่ได้แต่เรายังอยากได้เงินเราก็จะหาเงินโดยวิธีไม่ถูกต้องคือเราจะไปทำบาปกัน จะไปโกงกันไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วอาจจะต้องไปฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้คือเงินทองแล้วเอาเงินทองนี้ไปซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเราเอาเงินทองมาทำบุญนี้เราจะตัดความอยากจะใช้เงินได้เพราะเราจะไม่ได้ ใช้เงินตามความอยากเราเอาเงินมาทําบุญแล้วความอยากมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆถ้าจะ ซ, ซื้อก็ซื้อแต่ของที่จําเป็นเช่นอาหารเวลาเราขาดอาหารเราก็ซื้ออาหารเสื้อผ้าถ้าเราถ้ามันขาดแคลนก็ซื้อถ้าไม่ขาดแคลนก็ไม่ซื้อ ไม่ซื้อตามความอยากซื้อตามความจำเป็นเสื้อผ้าถ้ามันจำเป็นต้องซื้อก็ซื้อถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อเพราะไม่มีความอยากจะซื้อถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เนหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็จะได้มีเวลามาหาธรรมะกันมาสร้างบารมีที่เราไม่มีเวลาจะสร้างกันถ้าเรามัวไปหาเงินหาทอง ก็คือเราจะได้มาสร้างบารมีที่เรียกว่าเนคข ม, มะบารมีคือการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเหมือนยาเสพติดที่พวกเราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าเรายังติดกับรูปเสียงกลิ่นรสกับสัมผัสต่ตางๆเรายังอยากดูยังอยากฟัง อยากลิ้มรดดงกลิ่นเราก็เลยต้องมามีร่างกายต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้น ม, มีกายพอเรามามีร่างกายเดี๋ยวร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้าเราไม่ได้ทำบุญมาเราก็จะมาเกิดลำบากยากจนแต่ถ้าเราได้ทำบุญเราก็จะกลับมาเกิดร่ลำรวย<ม>เกิดอย่างสุขอย่างสบาย ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้อย่างน้อยก็ขอให้เราทำบุญกันละบาปกันเพราะจะทำให้ภพชาติของเราแต่ละภพนี้ดีเกิดมาจะไม่ยากจนเกิดมาจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเราทำบา เวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะกลับมาเกิดยากจนลำบากลำบนและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆและจะไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภพชาติที่สูงกว่านี้ได้คือภพของพรมภพของพระอริยบุคคลได้เพราะถ้าต้องการจะก้าวขึ้นสู่ภพของพระอริยบุคคลเราต้อง มีเวลาที่จะมาสร้างเหตุที่จะทำให้เราเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลก็คือเราต้องมาอยู่แบบนักบวชหรือบวชกันมาถือศีล8ถือศีลส0ถือศีลสอีแล้วก็มีเวลามาปฏิบัติสร้างธรรมะสร้างพระอริยบุคคลสร้างสวรรค์ชั้นพรหมกัน สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ของพระอริยะเจ้านี้เกิดจากการที่เรามาทําใจของเราให้สงบถ้าใจของเราสงบแล้วใจของเราก็จะเป็นพรหมขึ้นมาแล้วถ้าเราสามารถกําจัดเหตุที่จะมาทําลายความสงบคือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้สวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็จะกลายเป็นสวรรค์ชั้นนิพานไป จากพระ อ, อริยะขั้นที่สามคือพระ อ, อนาคามีก็จะกลายเป็นพออาระาอารหันต์ไปอยู่ที่การเจริญปัญญาปัญญาก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวถ้าเราไปเห็นว่ามัน เป็นสุขมันเป็นของเราเป็นของถาวรเราก็จะอยากได้พอเราอยากได้แล้วเราก็จะอยากไปเรื่อยๆพอเราตายไปเราก็ยังอยากจะกลับมาได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องจากเราไปหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องจากมันไป มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของชั่วคราวแม้แต่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเรานี้มันก็เป็นของชั่วคราวแต่เราในอดีตยังมีความหลงอยู่ยังคิดว่ามีร่างกายแล้วจะให้ความสุขกับเราเพราะเราจะได้มีตาหูจมูกลิ้นกายไว้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโนต่างๆเราก็เลยมาเกิดกัน พอมาเกิดแล้วเราก็ต้องมาเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บเกิดจากความตายกันแต่ถ้าเรามีปัญญาของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเราให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเวลามันหมดไปก็เสียใจ เวลามันจากไปก็เสียใจได้ของอะไรมาที่เราคิดว่าเป็นของเราพอเขากลายเป็นของคนอื่นไปเราก็เสียใจให้เรามองเห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เราจะได้หยุดความอยากได้ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะมีความอิ่มมีความพอมีความสุขไปตลอด เมื่อมีความอิ่มความสุขมีความพอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวโกทั้งหลายท่านได้หลุดพ้นกันเพราะท่านเห็นว่า ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนัตถมนตรีเป็นมหาเศรษฐีมันก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ และเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันก็จะทุกข์กันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าไม่นาเกิดได้ก็ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสร้างบารมีต่างๆเช่นสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างเนคขมมะบารมี สร้างอุเบกขาบาราีสร้างปัญญาบาราีด้วยการทําบุญทำทานด้วยการรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้สงบด้วยการฟังเทศฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอามาคิดไตรตรองพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เห็นเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้เลย พเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆได้เมื่อไม่มีความอยากเราก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัดของพวกเรามาเพื่อมาหาแสงสว่างแห่งธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะชี้ทาง สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายชี้ทางสู่การสู่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่ถาวรของพวกเราที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดบ้านที่มีแต่ความสุขเพียงเดียวคือนิพพานนิบานังปละมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ จะเหมือนกับความสุขของพระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขต่างๆที่เราได้จากโลกนี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเพราะร่างกายของเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกัน ด้วยศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ว่าเป็นการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเราชีวิตของเราอนาคตของพวกเรานี้จะดีขึ้นไปเรื่อยๆพบชาติของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพบชาติสุดท้ายคือเราจะได้ไปถึงพานิพานกัน ด้วยการเชื่อและด้วยการปฏิบัติตามคำสอนก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ